ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปูติยานกำลังนำเสนอสัมมาวยยายมะซึ่งทรงจำแนกแสดงไว้เป็นสี่ช่วงด้วยกันก็เป็นหลักการในการพยายามละ บ, บาปพยายามบำเป็นบุญ น, นั่นเองแต่ว่าบาปมันมีอยู่สองอย่างคือบาปที่ยังไม่เกิดกับบาปที่เกิดขึ้นแล้ว บุญก็มีอยู่สองอย่างคือบุญที่ยังไม่เกิดกับบุญที่เกิดขึ้นแล้ววันบาป ท, ที่ยังไม่เกิดก็จะสอนในแนวเน้นให้เห็นโทษแล้วก็เพียรพยายามป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบาปกับบุกุศลนั้นตอทนพวกนี้จะแสดงในรูปของการควรเว้นแต่ด้วยการป้องกันนะฮะ เข่เรียกว่าสำรวมระวังอินทสียสังวรพัวงานว่าอินเสียสังวรหรือสำรวมระวังไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมแต่ตอนนี้บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเห็นความดิสยาความอาฆาตความจองเวรความหึงหวงความพยาบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเหนียวรังใจ ตรวจสอบดูความคิดในลักษณะนี้ดู ต, ตัวตนของบุคคลต่างๆที่รู้อำนาจแก่กิเลส แ, แสดงความรุนแรงอะไรต่างๆออกมานี่มีให้เห็นยทุกวันนะฮะคือถ้าเรามองดูให้ดีแล้วพฤติกรรมต่างๆที่ปรากฏทางสื่อในบ้านในเมืองเราเนี่ยคื อ, อยังนึกว่าร0อเอร์เซ็นเนี่ยด้านบวกมันมีไม่เกินสี่สบเปอร์เซ็นต ยันึกนึกว่าสมสิเปอร์เซ็นยังไม่เคยมีเลยทำไปคราวๆมันจะออกมาในเรื่องของอาการแห่งกิเลสตัณหาทั้งหลายเช่นถ้าเราลองนับดูเรื่องที่เขานําเสนอเนี่ยเปนเรื่องเกี่ยวกับการประทุสล้ายต่อชีวิตในรูปแบบต่างๆนะฮะหลากหลายแต่สรุปว่านั่นคือชีวิตการประทุการประทุสล้ายต่อทรัพย์การประทุสล้ายในทางเพศ แรงหรือไม่แรงเป็นรายละเอียดแต่สรุปว่า น, นั้นคือการประพฤติผิดในทางเพศแล้วการโกหกหลกลวงใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหายุยงให้เกิดความแตกแยกกราชั้นกันแล้วการตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายการเข้าไปดำเนินการในเกลียดกระสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ย จะพูดง่ายๆว่าปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่พวกละเมิดศีลหา้าพอศีลห้าที่จริงมันครูหมดแล้ววันก่อนไปไปสรุปให้พวกครูเขาฟังเดี๋ยวบอกให้ครูลองคิดดูเถอะอาจารย์ลองคิดดูวาา่าปานาติปาตาเนี่ยถ้าเรามองจากเนื้อหาวิชาทั้งหลา ย, นยในสายสังคมาศาสตร์ทั้งหมด มันจะให้เป็นเนื้อหาวิชาอะไรก็ได้เพราะจริงๆแล้วโลกมันมีตนกับสิ่งเยี่ยมเนื่องโดยตนคนอื่นก็เหมือนกันฮะเขาก็มีเขากับสิ่งเยี่ยมเนื่องโดยเขาโลกมีเรากับคนอื่นกับสิ่งเกี่ยวเนื่องกับเราและเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเท่านั้นเองหมดแล้วเพราะเมื่อถ้าเราแก้ปัญหาที่ตัวชีวิตได้เนี่ยอย่างอื่นมันก็เป็นการแก้ได้ แต่ปัญหาว่าตรงนี้เราพูดหมายถึงเนื้อหาอะไรเช่นสมมติว่าคนไม่ฆ่ากันเนี่ยตนักกฎหมายก็พูดได้ว่าคนเคารพต่อกฎหมายตนักปกครองก็พูดได้ว่าการปกครองมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประช า, าชนไม่ประกอบอาชญากรรมจนถึงเข็นฆ่าทำลายร่างกันนักสังคมก็พูดได้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเป็นพลดรภาพ จิตวิทยาก็พูดได้ว่าคนนั้นจะเข้าใจจิตใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ประทุษร้ายชีวิตกันนักการศึกษาก็พูดได้ว่าการศึกษาประสบผลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์โดยไม่ไปเขีนฆ่าทำลายล่างกันได้นักเศรษฐศาสตร์ก็พูดได้ว่านั่นคือการส่งวนทรัพยากรมนุษย์นักศาสนาก็บอกได้ว่านั่นคือคนปฏิบัติตามธรรมศ า, า, า, ส, าสนาคือมันเป็นหมดทุกเน้อหาวิชานั่นแหละให้ลองคิดดูเถอะ ปัญหาใหญ่เหล่าเนี้ยมันเป็นบทเรียนซ้ำซากเรียกว่าสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกอ่ะสอนซ้ําๆำซากๆมันเปลี่ยนแต่บุคคลเปลี่ยนแต่กาลเปลี่ยนไปแต่เทศะเปลี่ยนแต่บุคคลผู้กระทำกรรมแต่ไม่เปลี่ยนเจตนาไม่เปลี่ยนกรรมไม่เปลี่ยนเจตนาไม่เปลี่ยนผลกรรมมันก็เป็นเรื่องเดิมเป็นอาการซ้ําซาก ซึ่งก็บันสอนเราให้ทั้งป้องกันแล้วก็ทางงด่ทางละนะฮะหมายความบางอย่างเราก็ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วก็เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาแล้วมันก็ต้องคิดแล้วก็ต้องลดละโดยตัวเองบางอย่างเราเห็นคนอื่นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะล่วงหนาจแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเราก็มองบทเรียนจากเขาแล้วก็ไม่เอาอย่างเขา ลักษณะเหล่าเนี้ยบางครั้งเป็นคำสอนจะเรียกว่าจงเอาเยี่ยงกาแต่อย่าเอาอย่างกานาคาส่วนดีเขาก็เยอะนะฮะเอาเยี่ยงก็ได้เช่นว่าความหมั่นข ย, ยันมีไว้พิบปฏิพานมีความเฉลียจ ะ, จ, ะจะเฉลยวฉลาดแล้วก็มีตื่นมาตั้งคนยังไม่ตื่นเลยเคยตื่นก่อนกาได้ก็เก่งแล้ก็ แ, แสดงว่ากา ก, าก็ดีเอะ แต่ส่วนไม่ดีก็คือส่วนไม่ดีเพราะในตัวกานเนาก็เรียนได้ทางด้านบวกด้นานลบเรียนได้ท้งแนวป้องกันในแนวบำบัดแนวบำรุงแล้วก็แนวรักษาแล้วภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สะท้อนมากที่สุดนะครเพราะถ้าเรามองกันในแง่ของความเป็นจริงว่าแม้แต่ความเป็นบ้านเมืองมันก็เป็นเรื่องของการป้องกันการบำบัดการบำรุงการรักษากระทรวงทั้งสิบกว่ากระทรวงเนี่ยฮะ งานมันก็อยู่เนื้องานมันก็อยู่ตรงนี้ยภารกิจ ต, ตรงนี้เป็นภารกิจในการป้องกันบำบัดบำรุงรักษาแต่เราจะเห็นว่าถ้าป้องกันแล้วเนี่ยไม่ต้องบำบัดความอันตรายมันไม่เกิดอ่ะทีนี้ถ้าเกิดแล้วเนี่ยไปป้องกันไม่ได้นะต้องบำบัดส่วนที่ยังไม่เกิดแน่นอนเราต้องป้องกันในส่วนที่เกิดแล้วก็ต้องพยายามบำบัดเรื่องนี้จึงเป็นการสอนให้เห็น ถึงทุกโทษต่างๆฉันยกตัวอย่างเรื่องปัญหาหัวใจมนุษย์นี่นะครับที่พระเจ้าทรงสรุปรวมด้วยข้อความสั้นๆวันนิวอนคือสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้สามารถบรรลุความดีได้เนี่ยมันมีอยู่ห้าเรื่องด้วยกันแต่เวลาพระเจ้าทรงสแสดงก็ทรงสแสดงตัวสาเหตุตัวอาการตัวผลแล้วก็ตัวที่จะป้องกันลดลาสิ่งเหล่านั้น คือแสดงทั้งกระบวนการในกรณีการเกิดของกรรมฉันเนี่ยก็ต้องสอนเหตุว่ามันเกิดจากเราคิดตัวเองคือเราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาว่ารูปนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะเปล่นนั้นหอมรสนั้นน่ารอยสัมผัสหน้าจบต้องแล้วก็เกิดอาการไขว้คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็ น, เ พ, เ, ปนเพื่อเพื่อรครองเพื่อเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของสิ่งดอกนั้นเมื่อเห็นมันก็เดือดร้อนอนะ่ะ อยากได้ไปอยากได้มาในถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดผิดกฎหมายผิดศีลธรรมขึ้นมาก็พยายามป้องกันจิตตัวเองไม่เกิดความกระสันอยากในอารมณ์เหล่านั้นมากเกินไปควบคุมใจไม่ให้ไปปรุงคิดคิดปรุงโดยหามใจเสียบ้างไม่ดูเสียบ้างไม่ฟังเสียบ้างไม่ดมเสียบ้างไม่เกี่ยวข้องเสียบ้างก็อมองถึงความจําเป็น คือพอเหมาะพอควรเป็นต้นเนี่ยก็แล้วแต่จะคิดอ่ยเมื่อก็ป้องกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสวยงามในแง่จริงๆมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นมายาที่จิตมันปลงขึ้นแต่นั่นเองแล้วกาสะสมเขาเรียกอาสวะสมุทัยเกี่ยวกความสะสมเป็นกองกิเลสเพิ่มพูนขึ้นไปในจิตของบุคคลแต่ถ้าหกว่าเรามองให้ดี เราเห็ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าสวยนั่นเองแล้วต่อไปเราโกรธขึ้นมาเราก็ว่าไม่สวยละสิ่งใดๆเรียกาหอมเราเห็นเป็นเจออันตรายขึ้นมาเราก็ไม่ต้องการแล้วพราะในตรงนั้นแหละมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเรายินดีก็ได้ยินได้ก็ได้เฉยๆก็ได้มาอยู่ที่เราคิดเอาปัญหาใหญ่มันอยู่ที่การปรุงคิดคิดปรุงของเราเองเพราะถ้าในแนวปะ สังวรประธานก็คือป้องกันไม่ปรุงคิดโดยสักแต่ว่ารูปบางสักแต่ว่าเสียงบ้างสักแต่ว่ากลิ่นบ้างสักแต่ว่ารสบ้างสักแต่ว่าสัมผัสจะบางผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ปรุงแต่งถามว่าทําได้ไหมจริงๆแล้วเราเป็นอย่างนั้นมากกว่านะฮะให้เราสังเกตุในชีวิตประจำวันเราได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มจนกต้องเยอะโดยเฉพาะได้เห็นกได้ยินในเยอะวันวันเนี่ย ซือเยอะได้หมดเลยถามเราถึงได้อยากได้เนี่ยมีแค่กี่อย่างถึงก็โกรธาคาดมาสไรเนี่ยมีแค่กี่อย่างไม่รู้มีอ่ะนั่นคือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตนี่จะอุเบกขาเนี่มาแต่ว่าเป็นอุเบกขาก็เรียกอัญญาอุเบกขาอุเบกขาโง่นะฮะคือพรอเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเราไม่พอใจไม่ยินดีไม่ยินรายอะไร แต่ว่าที่เป็นปัญหานั้นคือเราไปกระโจนเข้าไปปรุงแต่งไปรับเงื่อนไขที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนจากบุคคลต่างๆทําให้เราเกิดอยากได้อยากไปอยากเป็นขึ้นมาแล้วคขอยาพาะปรารถนาเพื่อได้เพื่อเพิ่มมีเพื่อเป็นเพื่อถือครองครอบครองเนี่ยเรื่องการสำรวจระหว่างอินรีย์นี่จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ในชาดกทั้งหลายเนี่ยบางทีท่านเล่าแยกออกมาเป็นส่วนเลยนะแยกออกมาเป็นส่วนประเดเรื่องกันเลยคือมันความแต่และเรื่องมีตายได้ทั้งนั้นเลยถ้าขาดสติสัมญัญญะในการระลึกรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเช่นว่าหลงรูปอยากดูรูปอย่างเดียวเนี่ยมันตายได้มีคนเยอะที่ลูกหลอด้วยรูปสวยๆเนี่ยแล้วก็ติดรูปเพลินรูปเหล่านั้น จะทำให้ตายไปได้ที่ทันเลาถึงว่าคนคนหนึ่งอาส า, าจะไปปราบยักษ์ถึงอยู่ในในในที่กำแพงอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นกำแพงล้อมรอบแกก็ขอเครื่องสูบไฟสูบไฟสูบที่เล็กเนี่ย แล้วขอทานขออะไรไปชุดหนึ่งแล้วขอเชือกขอปูนขอเหล็กก็ไปก็เมทคลยๆกับแบบโทรคงนะฮะส่งเสียงดังแล้วก็สร้างเป็นข่าวมียักษ์มาอยู่ในที่นั้นคนเดี๋ยวมาปราบจักษ์แล้วเจาะรูเอาไว้เพื่อยักษ์ดู อยากต้องการจะดูนะฮะต้องการแกส่งเชือกไปนี่บอกว่าหนวดของแกหนวดมันใหญ่ชังแล้วแกก็ส่งปูนนะฮะบอกนี้เป็นฝันของแกแล้วก็สูบเนี่ยเสียงลมหายใจของแกแต่ใหญ่มันใหญ่เท่านั้นอยักษ์ก็เกิดสงสัยยังไงยังไงก็แกจะถูกกับไล่แล้วแกขอดูหน่อย พอดูก็ให้จอตาก็ที่รู้ตรงนั้นแกก็เหล็กแดงดินั่นตรงไปแทงที่ก็ตายนั่นคือต้องการสอนให้เห็นว่ายักษ์ขนาดใหญ่ขนาดนั้นน่ะพายแพ้จิตตัวเองที่อยากดูอย่างเดียวนี่ก็ตายได้ยักฟังอย่างเดียวก็ตายได้ก็ลเล่าถึงคลงโ<ฮ>พธิสัตว์เนี่ยนกไมีนกยุงโพธิสัตว์เจษฎาใหญ่บุญ เวลาออกจากรังไปหากินเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อมาก็เอานกยุงตัวเมียมาให้ร้องเรียกจิตคือกำหนัดในเสียงเนี่ยลืมสาธยายมนแล้วก็ตกล่อกข้าไปในกรงได้กินหอมหอมสามารถจะดึงมนุษย์ดึงสัตว์ดึงมแมลงดึงอะไรอะไรก็ไปเราจะเห็นว่าตายเยอะนะตายเพราะกินหอมหอม แล้วก็เพราะรถอร่อยรถอร่อยเนี่ยเขาต้องการจะจับกวางทองตัวหนึ่งก็น้ำพึ่งไปไป้ายไปตามใบไม้ต่างๆางางบนเส้นทางเนี่ยก็ ล, ล้อมเป็นคอกไว้กวางมันกินหญ้ามันเพลินมันหวานมันติดใจแล้วก็เดินเข้าไปในวงล้อมท่าไรเมื่อไรไปยังไม่รู้เลยก็ถูกจับได้ มันแต่ละอย่างเนี่ยด้วยการจับต้องการสัมผัสการจับต้องก็ขี้เกียจจะตายดังนั้นมันก็อยู่ที่การสาบวบระวังตัวเช่นว่าจิตที่ไปกำหนดหมายอารมณ์ว่ารูปสวยเสียงไปร้อกขิ่นหอมรถอร่อยสัมผัสกาจับต้องเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้จิตใจมันเกิดเกลื่อนอยาก อยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากชิมอยากจับต้องก็อยากไปเรือ่อยๆจนในที่สุดก็ไม่สามารถบรนเทากระแสะของความอยากได้ปัญหาจะติดตามมาจากตรงนั้นก็นอีกเยอะถ้าการต่อไปพย า, ายามแต่เห็นว่าความโกรธเห็นที่จริงเราไม่โกรธก็ได้โกรธก็ได้เฉยๆก็ได้แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะเฉยๆมากกว่าบาทีเดือนยังไม่ได้โกรธท่องเดือนก็นไม่ได้โกรธ คือไม่มีเรื่องให้โกรธมันก็ไม่โกรธแต่ความโกรธมันก็มีอยู่นในใจมันอยู่ที่การกำหนดอารมณ์คือเราปรุงขึ้นมาเองแท้ๆเช่นสมมติว่าเขาด่าเราด้วยภาษาที่เราเรารู้เรื่องเอาแหละภาษาที่เรารู้เรื่องอ่ะแต่จริงๆแล้วโดย้ดีว่าใครด่าละ่ะมีคนด่าเยอะที่เราไม่โกรธด่าได้คำอย่างนี้ เช่นว่าบุปการีผู้ใหญ่ปู้ญตาติยายนะพ่อแม่ปู้ญตาติยายลวงป่านนะอาอะไรตอะไรเนีย่ยญาติผู้ใหญ่ที่มีอุปราคาคุณเร า, เราครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยคำบาของท่านยิ่งแก่เท่าไหร่เนี่ยเรารู้สึกเหมือนได้พรเหมือนผู้ใหญ่ท่านให้พรมันควางและอบอุ่นเลือกเย็นสบายแ ล, ล้วคําเราเนี่ยเด็กเล็ก ที่ไม่ภาษีภาษาไม่รู้น้ำหนักของคำที่พูดเนี่ยอามาดาเราก็ขำอ่ะคือฟังเธอด่ดาล้วก็ขำไงตัวเล็กนิดเดียวด่าได้ไพเราะหลยแล้ว ก, แวก็แล้วก็ฟังแล้วเราก็หัวเราะเฉยๆก็ไม่ไม่ด้มีอะไรเห็นไหมเด็กด่าเนี่ยมันช่ำชื่นเบิก บ, บานผู้ใหญ่ด่าเนี่ยเออบิ่มปลื้มปีติคนบาา้าด่าเราก็ขำ คนเมาดา่าเราก็สงสารแกเห็นไหมตกลงว่าคําด่าคําเดียวเนี่ยมันอยู่ที่ใครดา่ามันไม่ใช่ว่าตัวคาําด่าเรามีา่าที่เรามีความคิดต่อคนด่าเนี่ยยังไงมันก็สามารถจะคิดได้อย่างมีคราวหนึ่งที่นะศึกษาที่พยาบาลที่สีดาก็าถามเขาบอกจะทําใจยังไงเขาหมุดหงิดเวลาคนป่วยจู้จี้จุกจิกขี้บ่นเนี่ยเขาหมุดหงิดรําคาญ บอกเอามันก็ต่อยอดสิอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาก็ต่อเข้าไปก็อย่าเอาเรื่องคนป่วยคือการนั่นแหละสุขภาพจิตเขาไม่ดีสุขภาพกายเขาไม่ดีคนบ้าสุขภาพจิตไม่ดีคนเมาสุขภาพกายก็ไม่ดีสุขภาพจิตก็ไม่ดีเห็นไหมทุกที่จริงพูดเดียวกันเนี่ยพวกมาต่เพาเดียวกันแล้วไม่ถือส า, าความแล้วความก็ไปเล่นทําขำมายิ้ม ด้านในที่สุดจิตใจมันจะเข้มแข็งนะฮะพอถึงจุดหนึ่งมันจะใช้ปัญญาคิดอสมมุติว่าคนที่เราไม่ชอบนี่ดาเราเราจะหาเรื่องให้เราเดือดร้อนก็ได้เราจะไม่หาก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการจะหาเราก็เห็นว่ากำไคใครก่คนนั่นก็รับกำไปควายใครก็ค ข, ข้าข้อคนนั้น เขาด่าเนี่ยจิตใจเขาก็คิดก็ผิดแล้วนะแล้วก็เป็นวาจาก็ผิดแล้วเราจะผิดตามเขาไปเนี่ยมันเรื่องอะไรเขาไม่หวังดีกับเราแล้วเราเราก็ไปทําตามที่เขาไม่หวังดีหรือหาทุกข์มาใส่ตัวเองปัญหาคก็อยู่ที่การคิดเนี่ยเรื่องใหญ่จริงๆก็อยู่ที่คิดยังไงเราเห็นว่าอริยมรรคเี่ยสมาธิกับสมาธิสังกปะเนี่ยจึงเป็นตัวหลัก ที่จริงตัวฐานใหญ่เนี่ยคือสมาธิสมาธิกับสังกัปปะมันเป็นอาการนะฮะอาการของสมาธิิิหมายความเมื่อท่านเห็นชอบเป็นฐานจิตอยู่แล้วเนี่ยการคิดทกงทางก็ชอบปูดชอบทําชอบเลี้ยงชีพชอบมาจนถึงพยายามชอบแล้วใความพยายาม ท, ที่มันกลายมาจากปฏิฆะคือเราหมุดหิดเรําคาญเราชุนเฉียวเราโมโห แล้วก็เกิดผูกโกรธเกิดอาฆาตเกิดพยาบาทขึ้นมาแล้วถ้าเราถามอีกทีมันได้อะไรแต่คาดเขานี่ได้อะไรพยาบาทเขานี่ก็ได้อะไ ร, าา เ, เ, ไไรเราได้อะไรเ้านอนอยู่ที่ไหนเราไม่รู้เลยก็หลับสบายอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เราก็เป็นนอนกระสอบกระสายนึกแช่งชักหักกระดูกแล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนอนเห็นไหมพวปัญญามันเข้าไปเนี่ยคือกิเลสเนี่ยเอาปัญญาเข้าไปเอกประกบเนี่ย สติสัมป ญ, ญญานี่เป็นตัวหลักกันนะฮะต่อมาสัมป ญ, ญญาคือปัญญานะเอาปัญญาเข้าไปกํากับถามมันได้ประโยชน์อะไรพยาบาทการนนะี่ยมันได้ประโยชน์อะไรคือผลท้ายมันไปจุดไฟขึ้นมาเพาลนตัวเองเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเราก็สร้างให้เป็นเรื่องขึ้นมากับรายไปเรื่องหาเรื่อง วิ่งก็ไปหาเรื่องทาง น, นที่เรื่องนั้นมันอยู่ไกลตัวเองปัญหาใหญ่มันก็อยู่ตัวนี้ทีนี้เรื่องอีกข้อหนึ่งก็คือทีน้ำมิถาง่วงเหงาเขานอนซึ่งๆเนี่ยมันก็เป็นปนัญหาขาใจนะแต่ถ้าหากว่าเรามองให้ดูดูให้ดีนะเราจะเห็นว่าสภาพจิตที่ไม่พร้อมคือจิตที่หดหู่นั่นอย่างหนึง่ง ความค้านกายค้านจิตความอืดเนี่ยฮะคือคือน่า ย, ายเบื่อเบื่อแล้วก็เสิ่งหมดอะไรแต่ อ, อยากในชีวิตตลอดถึงเมาอาหารทั้งหลายนี่แต่และอย่างเนี่ยมันเป็นโทษแก่เราทั้งนั้นเนี่ยแล้วโด ย, ยเฉพาะยิ่งการเมาอาหารเนี่ยเราไม่กินได้มากมันก็ไมเมาแต่นั้นเองคือกินพอสมควรให้ร่างกายมันสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ มหมายถึงวาพมันกินไม่หิวะ่ะหิวเมื่อกระหายเมื่อกระหายไม่หิวก็กินมันกินบรรเทากระหายกบรรเทาหิวเราจะแก้ปัญหาในด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจเพราะทีนั้นไม่ธาตนี่มันเป็นปัญหาทางกายทางจิตนะฮะเราเห็นว่าถ้าอาหารมากเกินไปเราก็เม้าอาหาร พออันย่อยเข้าไปเนี่ยกระบังกายเข้มแข็งขึ้นมันมีความต้องการทางเพศไปกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเราก็ลดอาหารเทอะแก้ได้ทั้งม่วงนอนแ่ะแก้ได้ทั้งการกระตุ้นทางเพศคือแก้ได้ทางปัญหากามฉันแล้วก็ไปแก้ได้ทางปัญหาพยไอิ่่วงนอนทีนี้อาหารเนี่ยถ้าน้อยก็อีกแหละมันมีปัญหามาเกิดมีบอนข้ออืน่น พระเจ้าจึงสอนเดิมมัตตันยุตาจะพัฒนสมิงความรู้จักประมาณในพัตตาหารเวกินได้มากเกินไปแต่ก็ไม่ควรจะน้อยเกินไปก็ปรเรียกว่าพอประมาณพอประมาณที่ขาจาัดความอยู่เก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังปฏิบัติภารกิจใการงานได้ ดังนั้นพวกเหล่านี้ถ้าเรามองเห็นโทษของมันหรือความฟุ้งซ่านตำคาน ต, ต่างๆเนี่ยเราก็ฟุ้งเองเนะเราคิดขึ้นมาเองหรือเรื่องแกลงสงสัยเนี่ยมันก็เราก็คิดขึ้นมาเองเราตั้งข้อสงสัยเองถ้าสงสัยต้องการจะแก้มันก็ต้องเอามาคิดมาศึกษามาค้นควา้ามาหาหลักการต่างๆมาสอบทานมาเทียบเคียง มันอย่างอุทจจักกุกกุจจะคือฟุ้งซ่านรําคาญเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจไม่ยอมสงบก็ได้เจตสุโภภะสมะคือจิตมันไม่ยอมสงบอ่ะไม่ยอมสงบเราก็พยายามดัดสันดานามันสงบฝึกเอาจิตไปเกาะไปจับอ่านหนังสือมันไม่สงบอ่ะอ่านมันดังๆเลยตาดูตัวหนังสือปากอ่านเสียงดังๆแล้วหูฟังเสียงตัวเอง ประสาศแต่มันตื่นขึ้นในสุดไอความม่วงมันก็ลดลงไปความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ลดลงไปเพราะว่าเราพยายามฝึกพยายามมองพยายามคิดพยายามจับอยู่กับอะไรเนี่ยให้จิตมันนิ่งอ่ะฝึกจิตในหัดนิ่งอยู่ในเรื่อ ง, งตาอ่างๆแล้วใจแม่ก็ทําได้ทุกคนทุกแหขนอย่าไปทําในตอนขับรถก็แล้วกันนะฮะ ใครับรถก็ให้มีสติดีๆแต่ว่างานเป็นมันมากเนี่ยถ้าเรานั่งไปในรถเนี่ยมันก็เสียเวลาเปลาเปลาาถ้าเราอ่อนเพลียเราก็หลับได้เลยก็นอนไดเลยพักผ่อนเชียแต่ถ้ากว่าร่างกายยังแข็งแรงดีก็อาจจะมองอะไรคิดตมโมตะมาไปเรื่อยๆหรือยกธรรมะขึ้นมาคิดนั่งหลับตาคิดไปเรื่อยๆก็ได้ เพื่อคุมความคิดเนี่ยให้มันอยู่กับกุศลนธรรมทั้งหลายเป็นวิธีดัดสันดานตัวเองคือดัดจิตตัวเองมันก็เป็นอาการของสังวรประธานกับพานประธานปองข่ากันไปนะฮะทุกฝัง่งทั้งหลายใต้รมบปฏิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามพผยบุญในธรรมสุเมต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี